มิจฉาวายามะพระพุทธภาสิตณณาคจริยานาชดาณปังกานานาสกาตันดิลสายิกาวาละโชชลังอุกุติกับปทานังโซเทนติมะจังอวิติ น, นะกังขั่งแปลความว่าการประพฤติเปลือยกายการกล่าวชดาการนอนบนเปือกตมการอดอาหารการนอนบนแผ่นดิน ความเป็นผู้มีกายหมักมงด้วยธุลีความเพียรด้วยการนั่งกระยงทั้งหมดนี้ไม่ทําให้คนที่ยังไม่ร่วงความสงสัยบริสุทธิ์ได้อธิบายความพระพุทธพจน์นี้รวมเอาลัท ธ, ธิพรดของนักบวชอินเดียไว้มากปัจจุบันนี้ยังมีให้ดูอยู่ทุกอย่างรวมทั้งนักพลดเปลือยกายด้วยไม่เพียงแต่เปลือยกายเฉพาะในที่ของตนเท่านั้นพวกเขายังเดินไปได้ทุกแห่งในเมืองไม่มีใครทําอะไรไม่มีใครว่าอะไรถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพ ทางศาสนาบางทีเห็นพวกนักบวชเปลือยขี่ม้า ก, กันเป็นแถวบางทีก็เดินนักพรตในอาการต่างๆบ้างเปลยกายบ้างเคล้าชาดาบ้างนอนบนเปลือกตมนอนบนน้ำเอาน้ำแทงตัวบ้างอดอาหารบ้างนอนบนแผ่นดินไม่ยอมมีเครื่องปูลาดบ้างคลุกฝุ่นอยู่ตลอดเวลาเอาขี้ฝุ่นและขี้เท่าทาตัวบ้างนั่งคยงนักพรตพวกนี้มุ่งความบริสุทธิ์เหมือนกันแต่หาทางไม่ถูก เข้าใจว่าที่ตนประพุทธอยู่นั่นแหละเป็นทางนําไปสู่ความบริสุทธิ์แต่ตราบใดที่ใจเขายังหมักหมงอยู่ด้วยความโลภความอยากได้ความปริศยาตราบนั้นความเป็นสมณะของผู้เขาก็ไม่มีประโยชน์อันใดเป็นเพียงเครื่องมือหากินเพราะถูกนําด้วยความอยากและนําไปสู่ความอยากนักพรตพวกนี้ใจยังติดแน่นอยู่ในลาบสการะแต่ทําตนประหนึ่งว่าไม่ต้องการอะไรหลอกลวงปวงชนให้หลงผิด สิ่งที่เขาทําอยู่นั้นไม่ทําให้เขาบริสุทธิ์ได้เลยทพราเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธและทรงตรณิตรว่าไม่เป็นทางทําให้กิเลสสงบระ ง, งับได้ทรงถือเป็นทางสายตึงเกินไปที่เรียกว่าอัตตกิลมถานุโยกเป็นการทรมานตนที่แรงเกินไปจนกลายเป็นการเบียดเบียนตนเองโดยไร้ประโยชน์ไม่เป็นทางนําไปสู่ความพ้นทุกโดยชอบมีแต่จะทําตนให้ทุกข์มากขึ้นเพิ่มทุกข์ให้แก่ตนซึ่งทุกข์อยู่โดยธรรมชาติแล้ว ธรรมบทฉบับของด็ตอร์เอสราชากริสนปราชาอินเดียได้เล่าเรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวกับนักพรตสกรปรกพวกนี้ว่าคราวหนึ่งพวกนักบวชเปลือยได้รับเชิญกินเลี้ยงที่บ้านลูกสาวคนหนึ่งของท่านอนาถปินดิกะเศรษฐีนางได้เรียกลูกสะ้ายชื่อสุมาคาธาให้ไปไหว้นักบวชเปลือยนั้นบอกว่าถ้าเหล่านั้นล้วนเป็นอรหรันต์ เป็นอัญชลีกรณียบุคคลสุมาคาธาเข้าใจว่าเป็นพระเช่นพระสารีบุตรหรือโมคลลานะหรือสาวกอื่นๆของพระพุทธเจ้าจึงรีบไปด้วยความยินดีแต่ไม่ได้เห็นนักบวชเปยืยเหล่านั้นซึ่งมีผมยาวแข็งเหมือนปีกนกยูงดูด้านเปละประเดศฟุนสกปรกคล้ายอสุรกายนางจึงร้องไห้รีบกรับเมื่อแม่ผัวถามว่าทำไมจึงร้องไห้นางตอบว่าโอมาดา ถ้าคนพวกนี้เป็นอรหันต์แล้วก็คนที่เลวกว่านี้จกเป็นเช่นไรด็เอรเอสลาทาคริสนานอ้างข้อความนี้ว่ามาจากอามะคันทสูตรและธรรมบทของแม็กซ์มูเลอร์ในอัจฉกิาธรรมบทภาคสามได้เล่าเรื่องพ่อผัวของนางวิสาขาเชิญนักบวชเปลือยมาฉันที่บ้านและให้นางวิสาขาไปไหว้บอกว่าเป็นอรหันต์เมื่อวิสาขามาเห็นเป็นพวกเปลือยก็กระดาก คิดว่าคนไม่มีคุณิขิตอย่างนี้เป็นพระอาหารหันต์ไม่ได้นางไม่ยอมไหว้ไม่ยอมนั่งกรับไปพีชเชอรยพวกเปลยติเตียนมิคาระเศรษฐีว่าหญิงที่ดีกว่านี้ในชมพูทวีปป ม, มีอีกแล้วหรือจึงเอาหญิงกาลกรนนีมาเป็นสะพายแต่ความจริงยิสาขาหาได้เป็นกาลกันนีไม่นางเป็นหญิงที่ดีที่สุดคนหนึ่งในโลกดังได้กล่าวมาแล้วในปุพพวัพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่นิยมสายกลาง คือไม่หย่อนเกินไม่ตึงเกินและชักนำให้ขัดเคลาจิตใจให้บริสุทธิ์แทนการทรมานกายถ้าจะทรมานสงสอนให้ทรมานอินทรีย์ข่มอินทรีย์คือบังคับตาหูจมูกลิ้นกายและใจมิให้เป็นทางรั่วไหลามาแห่งความดีใจเสียใจคืออภิชาและโทมนัสเมื่อได้เห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นนักพรตบางประเภทปลีกกายออกจากกามแต่ใจยังผวพันอยู่ในกาม ย่อไม่อาจพ้นทุกได้บุคคลบางประเภททุ่มอยู่ด้วยกามทั้งกายและใจไม่อาจตรัสรู้ได้บุคคลบางพวกออกหาจากการทั้งกายและใจคนประเภทนี้แหละสามารถตรัสรู้ทําได้โดยเร็วพราะที่เจ้าทรงแสดงธรรมเป็นมัชชิมาปฏิปทาไม่ข้องแวะด้วยกามสุขาลิการโยคคือสายหย่อนเกินและอัตตกิลมถานโยคคือสายตึงเกินมัชชิมาปฏิบัติมุ่งตรงไปสู่พระนิพพาน พระพุทธภาสิตรเรื่องนี้พระาศาสดาตรัสปรารบพระผู้มีของมากพราะขุปันธิกะขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีมีเรื่องย่อดังนี้ความว่ากุดมพีผู้มีอันจะกินคนหนึ่งชาวเมืองสาวัตถีเมื่อพัญญาธรรมกาละคือตายแล้วก็ออกบวชก่อนบวชให้สร้างบริเวณเรือนไฟและห้องเก็บของส่วนตัวบรรจุของเป็นจํานวนมากเช่นเนยใสยเนยข้น น้ำมันเป็นต้นให้เต็มห้องเก็บของแล้วจึงบวชเมื่อบวชแล้วก็เรียกพวกถาดของตนมาหุงต้มอาหารตามที่ตนชอบใจมิได้สแสวงหาอาหารโดยบินทบาเยิยงภิกษุทั้งหลายอื่นเป็นผู้มีของมากมีบริการมากเครื่อ ง, งมือห่มกลางคืนเป็นอย่างหนึ่งกลางวันอีกอย่างหนึ่งอยู่ที่คุติหลังสุดท้ายวันหนึ่งขณะที่ภิกษุนั้นตากีวอนและภาพปูที่นอนอยู่ภิกษุหลายรูปเที่ยวเดินดูเสนาสนะ มาถึงที่อยู่ของพระรูปนั้นเห็นจีวรและผ้าปูที่นอนจานวนมากจึงถามว่าของใครพิสษจน์นั้นตอบว่าของข้าพเจ้าเองพิสูุน์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าผู้มีอายุพระสถาคตเจ้าทรงอนุญาตผ้าเพียงสามผืนคือสังคาติเท่ากับผ้าห่มหนาวจีวรเท่ากับผ้าห่มตามปกติสบงเท่ากับผ้าหนุงฉนัยท่านจึงมีผ้ามากนักอันหนึ่ง ท่านบวชในศาสนาของพระทศพลผู้มีความปรารถนาน้อยอย่างยิ่งฉนัยท่านจึงสะสมบริขารไว้มากเหลือเกินพิกษุทั้งหลายพาพิสูจผู้มีบริขารมากนั้นไปเฝ้าพระศ า, ศาสดากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้สงสารอย่างนั้นหรือพิสูจน์ตถามอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพิสูจนั้นทูลรับโอ้พิกษุเธอทําตรงกันข้ามกับโอวาดของเราเสียแล้วเราเป็นผู้มีความปรารถนาน้อย แสดงทําเพื่อความเป็นผู้ปรารถนาน้อยแต่เธอกลับเป็นผู้ปรารถนามากมีบริการมากเธอทําให้ถูกเลยเพียงเท่านี้ภิกษุนั้นโกรธต้องการประชดจึงเปลื้องกีวรทิ้ทงเหลือเพียงสบงผืนเดียวยืนอยู่ท่ามกลางบริษัทสี่ลำดับนั้นพระศาสดามุ่งอุปถัมภิกษุนั้นจึงตรัสเตือนว่าดูก่อนภิกษุเมื่อก่อนนี้เธอเป็นผีเสื้อนําถึงกระนั้น เธอยังเที่ยวแสวงหาฮิริโอตปะอยู่ถึงสิองปีในรูปแห่งเทวธรรมมาบัดนี้เธอบวชในศาสนาของตถาคตผู้มีฮิริโอตปะทําไมเธอจึงละทิ้งฮิริโอตปะสี่เล่าพิสูจนนั้นปรับได้ฮิริโอตตปะหยิบจีวรขึ้นหม่มถวายบมงคมพระศาสดาแล้วนั่งอยู่ในที่อันโคลนแก่ตนพิสูจนทั้งหลายทูลถามพระผู้มีพระภาคเพื่อให้ทรงประกาศความข้อนั้นพระสถาคตจึงนาเรื่องในอดีตมาตรัสเต้าดังต่อไปนี้ ปุพกรรมของพิสุนั้นในอดีตการพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระคันแห่งพระอครมเหสีของพระเจ้าพระราณสีมีพระน า, วามว่ามหิตซาสกุมารพระอนุชาพระนามว่าจันทกุมารต่อมาพระราชมารดาที่วงคกพระราชาจึงสถาปนาสตรีอีกนางหนึ่งขึ้นในตําแหน่งอครมเหสีนางประสูติพระโอรสนามวา่าสุริยากุมาร พระราชาทอดพระเนตรพระราชโอรสแล้วทรงพอพระทัยมากตรัสพระราชทานพรว่าต้องการสิ่งใดให้ขอแต่พระนางผู้ทรงเป็นพระราชมารดาแห่งพระราชกุมารทูลว่าจะทูลขอเมื่อตสงการบัดนี้ยังไม่มีความจําเป็นเรื่องใดต่อมาเมื่อพระราชโอรสเจริญวัยพระนางจึงทูลขอพระราชสมบัติให้สุริยะกุมารพระราชาทรงท้าทานถึงสองครั้งว่าขอให้คออย่างอื่นอย่าขอราชสมบัติเลย แต่พระนางทรงยืนยันว่าไม่ได้ต้องการสิ่งอื่นๆต้องการราชสมบัติให้สุริยะกุมารราชโอรสเมื่อเป็นดังนี้พระราชาทรงดําริว่าหากไม่ให้ลูกทั้งสองของเราอาจได้รับอันตรายเพราะสตรีนี้จึงรับสั่งให้พระราชโอรสทั้งสองเข้าเฝ้าตรัสเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทราบแล้วทรงสรุปว่าเพื่อความปลอดภัยของลูกทั้งสองให้เดินทางไปอยู่ในป่าที่ชั่วคราวเมื่อพ่อตายแล้ว จึงค่อยมารับพระราชสมบัติพระราชโอรสทั้ง ส, งสองทรงตั้งอยู่ในพระโอวาทจึงเสด็จออกจากพระราชวังที่ประทับขณะนั้นสุริยากุมารทรงเล่นอยู่ที่พระรานหลวงทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าพิยาเธอทั้งสองทรงทราบความแล้วเสด็จร่วมไปด้วยเมื่อเสด็จถึงหินมวันตัประเทศพระโพธิสัตว์มิหิษ ส, สาสากุมารหยุดนั่งภากใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งขอให้สุริยากุมาร น้องสุดทองแต่เอาน้ำในสระใกล้ๆมาให้ดื่มวิธีนํำน้ามาก็คือหักใบบัวแล้วเอาน้ําใส่มาขอให้สุริยกุมารดื่มและอาบตามต้องการเสียก่อนแล้วนํามาให้พี่ทั้งสองภายหลังสุริยกุมารทําตามนั้นสระนั้นมีผีเสื้อน้ํารักษาเขาได้พรจากท้าวเวสวุวรรณว่าให้จับคนที่ลงสระกินได้ยกเว้นคนที่รู้เทวธรรมสุริยกุมารลงสูส่สระถูกผีเสื้อจับได้ ผีเสื้อถามว่ารู้เทวธรรมหรือไม่กุมารตรัสตอบว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์คือเทวธรรมผีเสื้อกล่าวว่าท่านไม่รู้เทวธรรมแล้วจับลงไปในภพของตนเมื่อเห็นสุรยิยกุมารช้าอยู่พระโพธิสัตว์จึงส่งจันทกุมารไปดูแม้จันทกุมาร น, นั้นก็ถูกผีเสื้อจับเสียอีกเพราะตอบเทวธรรมว่าทิศทั้งสีชื่อว่าเทวธรรมเมื่อจันทกุมารช้าอยู่พระโพธิสัตว์จึงเสด็จไปเอง ทรงเห็นรองเท้าแห่งพระอนุชาทั้งสองแล้วทราบว่าสนี้มียักษ์รักษาจึงสอดพระขันถือธนูยืนอยู่ผีเสื้อยักษ์เห็นพระโพธิสัตว์ไม่ลงสักจึงแปลงเพศเป็นชายชาวป่าเดินมาทักถามว่าบุรุษผู้เจริญท่านเดินทางเหน็ดเนยอ่อนเพลียฉนัยจึงไม่ลงสักดื่มและอาบตามปรารถนาเคี้ยวกิงเงาวัวประดับดอกไม้เล่าพระโพธิสัตว์พอเห็นชายผู้นั้นเท่านั้นก็รู้ทันทีว่าเป็นยักษ์จึงถามว่า ท่านจับน้องชายของฉันไปหรือใช่ข้าพเจ้าจับไปเองยักษ์ตอบท่านจับเขาทําไมจับไว้กินท่านมีสิทธิจับทุกคนหรือเฉพาะคนที่ไม่รู้เทวธรรมต้องการเทวธรรมหรือใช่ฉันรู้เทวธรรมถ้ารู้ก็จงกล่าวฉันมีกายมากหมักหมมไม่อาจกล่าวได้ยักษ์ยอมอนุญาตให้พระโพธิสัตว์อาบน้ําดื่มน้ําจนเรียบร้อยแล้วจึงฟังธรรมพระโพธิสัตว์กล่าวเทวธรรมว่า ฮิริโอตปะสัมปนาสุกะธรรมะสมาหิตาสั้นโตส ป, ปุริซาโลเกเดวธรรมาติวุตเรบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยฮิริโอตปะตั้งมั่นอยู่ในธรรมขาวคุศรลธรรมเป็นผู้สงบเป็นสัตวบรุษในโลกนั่นแหละท่านเรียกว่าผู้มีเทวธรรมกล่าวโดยย่อฮิริโอตปะนั่นแหละคือเทวธรรมหรือธรรมของผู้เป็นเทพอยากฟังแล้วเลื่อมใส กล่าวว่าท่านเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้เทวธรรมข้าพเจ้าจะให้น้องชายของท่านคนหนึ่งท่านต้องการคนใดข้าพเจ้าต้องการน้องชายคนเล็ ก, ก่อนพระโพธิสัตว์กล่าวยาคุระพรางกล่าวว่าท่านรู้เทวธรรมอย่างเดียวเท่านั้นหาปฏิบัติเทวธรรมไม่เพราะเหตุใดท่านจึงว่าฉันอย่างนั้นเพราะท่านให้นําน้องชายคนเล็กมาชื่อว่าไม่ได้ประพฤติอปะจยิกรรมความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้เจริญต่อผู้มีอายุสูงกว่า พระโพธิสัตว์กล่าวว่าฉันรู้ทั้งเทวธรรมและประพฤติทเทวธรรมฉันต้องเข้าป่าเพราะน้องชายคนนี้เป็นเหตุหากน้องคนนี้ถึงตายแม้ฉันจะบอกว่ายักษ์ตนหนึ่งกินน้องของฉันก็จะหามีใครเชื่อไม่คนทั้งหลายคงคิดว่าฉันวางอุบายฆ่าน้องเป็นแน่แท้พระโพธิสัตว์ได้เล่าเรื่องทั้งปวงให้ยักษ์ฟังยักษ์ยิ่งเลื่อมใสามากขึ้นสรรเสริญว่าท่านบัณฑิตท่านรู้เทวธรรมและประพฤติทเทวธรรมด้วย ได้นําน้องชายทั้งสองมามอบให้พระโพธิสัตว์ลําดับนั้นมีหิษะสาสะกุมารได้พนานาโทษแห่งความเป็นยักษ์ให้ยักษ์นั้นเลิกกินคนตั้งอยู่ในศีลห้าพระโพธิสัตว์และน้องชายทั้งสองพำนักอยู่ในป่าได้ยักษ์ช่วยรักษาคุ้มภัยตลอดมาจนกระทั่งทราบข่าวว่าพระราชบิดาสวรรคตจึงกลับมาสู่เมืองพระณสีพายักษ์มาด้วยเมื่อได้ครองราชแล้วพระราชทานตําแหน่งอุปราชแก่จันทกุมาร ตำแหน่งเสนาบดีแก่สุริยคุมารโปรดให้สร้างที่อยู่อันเป็นโรมณียสถานแก่ยักษ์ทาให้เป็นผู้ถึงความเลิศด้วยลาบคือมีลาบมากการที่ยักษ์มีลาบมากนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ง่ายเพราะอยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าแผ่นดินเมื่อพระราชายกย่องแล้วใครๆก็อพรอยยกย่องตามพระศาสดาตรัสประชุมชาดกว่าจันทกุมารในครั้งนั้นมาเป็นพระสารีบุตรสุริยกุมารเป็นพระอานณนุนรากสด คือยักษ์เป็นภิกษุผู้มีของมากส่วนมหิสาสกุมารคือเราตถาคตนี้เองพระทศพลตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุในการก่อนเธอเป็นผู้สแสวงหาเทวธรรมสมบูรณ์ด้วยฮิริโอตปะแล้วฉนัยบัตรนี้เธอจึงยืนเปลือยกายท่ามกลางบริษัทเล่าแม้เธอจะกล่าวว่าเพื่อความปรารถนาน้อยก็หาถูกต้องไม่เธอทากรรมไม่สมควรเพราะว่าบุคคลจะชื่อว่าเป็นสมณะ ด้วยเหตุที่ไม่นุห่มผม้าก็หาใหม่ดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมต่อไปว่าการประพฤติเปลือยกายการกล่าวชดาไม่ทําคนที่ยังไม่ลงความสงสัยให้บริสุทธิ์ได้มีนยะดังพนานามาแล้วแต่ต้น